บุกทูเจ็ดสิบหกเหตุผลบางประการสองทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะ ดิฉันไม่สบายค่ะ Я був хворий ดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะ Я не прийшов, тому що я був хворий ทำไมเธอถึงไม่มาละ่ะคะ Чому вона не п р и ш л а เธอเหนื่อยค่ะ Вона була втомлена เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะว о н а не прийшла тому що вона була втомлена ทอาำไมเขาถึงไม่ได้มาล่คะคะทำไมวินไม่ไปชลล์เขาไม่มีอารมณ์ค่ะวินไม่มากาญเนียเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะ він не прийшов тому що він не мав бажання ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะ Чому ви не прийшли รถของเราเสียคะ่ะ Наш автомобіль зламався เราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียคะ่ะ Ми не прийшли тому що наш автомобіль зламався ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะพวกเขาพาลาดรถไฟค่ะพวกเขาไม่ไดลาไฟค่ะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะพวกเขาไม่มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะวกเขาไพระพลดไฟค่ะ ли, ทำไมคุณถึงไม่มาคะ Чому ти не прийшов? Дічан не ріб ануїат. Я не міг. Дічан не ма, пра мі не ріб ануїат. Я не прийшов, тому що я не міг.